มังกรยกท่าหนึ่งกำเนิดจอมมารเท่าสารพัดพิษตอนที่เจ็ดเจ็ดตอนใจวิสุดใจวิสุดคำพีวรยุทธเป็นผู้ใดสามารถฝึกฝนได้ท่านอาจารย์บุพพาทิพย์เอ่ยถามแล้วที่พวกเจ้าเล่าเรียนมาจากท่านผู้เท่าประหลาดอะไรคือหลักการฝึกลมปาน เจ้าสำนักไตุตรภาหา ไ, ไปถามสนหิมะข้าว่าวิถีแห่งฟ้าอยู่เคียงข้างคนอ่อนน้อมถ่อมตนผู้บรรลุธรรมไม่ใส่ใจในตนหากจิตใจยึดมั่นปวงชนประดุดตัวตนเป็นผู้ควรแก่การฝึกฝนตามที่ท่านผู้เท่าประหลาดได้สั่งสอนข้าสนหิมะตอบอย่างมั่นใจ ถูกต้องแผ่นดินเสียมล้อนี้คำพีไตวิสุดเป็นมณีวิเศษเป็นวิถีแห่งฟ้ายุติธรรมและผู้บรรลุไม่ใส่ใจตนล้วนคือผู้ที่กล้าเหมาะสมในการฝึกฝนเจ้าจำไว้ศาสตราคือสิ่งไม่เป็นมงคลไม่ถึงคราจำเป็นไม่พึงใช้แมงพิชิตชัยไม่ใช่สิ่งดีเลิศ ผู้ยึดถือว่าดีเลิศคือบุคคลที่ไม่สู้ไม่หนีไม่ถอยห่างเพียงหยุดที่จิตในตนผู้ชมชอบการแกงแย่งชิงดีจะไม่ได้ครอบครองทั้งแผ่นดินทั้งแผ่นฝาค่ำคืนนั้นสนหิมะและบุกผาทิบต่างครุ้นคลิดถึงปิศนาแห่งธรรมที่ได้ประสบผู้ไม่สู้ไม่หนีไม่ถอยห่าง เพียงหยุดที่จิตในตนคลุ่นคลิดตลอดเวลาจนหลับไปในยามใกล้ลุงสำนักไต่บุปผาครานี้มากไปด้วยเหล่าสิทธิ์ใหม่ปะปนไปด้วยเหล่านกพิราบสื่อสารเพื่อสืบเสาะข่าวคำพีแห่งฟ้ามีทั้งมีสังกัดและไรสังกัดพากันบินว่อนจนเต็มลานไล้การเวลา จนทำให้สำนักข่าว KBN News ไม่สามารถตรวจสอบบรรดาเหล่านกพิราบสื่อสารเหล่านี้ได้ลานรายการเวลาบัด น, นี้จึงดูสับสนยิ่งหนักพลันปรากฏล่างของบุรุษผู้แต่งกายด้วยชุดขาวดูสะอาดสะอ้านมีลาศียิ่งพร้อมด้วยสิทธิ์สองคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่อีกคนดูอ่อนแอไรเรียวแรงเหมือนผู้คงแก่เรียน มีทราบว่าผู้อาวุโสผู้ใดมาเยี่ยมเยือนสิทธิ์ทั้งสี่แห่งสำนักไตบุผาเห็นบุรุษชุดขาวพร้อมทั้งสิทธ์ทั้งสองจึงเข้าไปต้อนรับมีทันที่จะได้คำตอบพลันปากร่างหญิงสาวแต่งกายรกกุมสวมชุดเสื้อคลุมยาวถึงข้อเทา้าดําเนินดุจเลื่อนลอยจากหนาาอากาศพร้อมสิทธิ์อีกสองคนกล่าวขึ้นว่าท่านเจ้าสำนักไตบุผาอยู่ที่ใด สิทธิ์ทั้งสีจึงสอบถามไปว่าท่านคือผู้ใดต้องการพบเจ้าสำนักด้วยเหตุใดมิต้องเอ่ยมากความไปเชิญเจ้าสำนักของท่านออกมาสตรีนางนั้นตอบพร้อมทั้งหันไปเอ่ยทักทายบุรุษชุดขาวประดุษสหายสนิทที่ไม่ได้พบพ่านมาเนิ่นนานท่านผู้เท่ากระเลียนขาวใช่ท่านจริงๆท่านใดนั้นเอง ท่านมังกรที่วาก็ปากดร่างขึ้นพร้อมหัวเราะเลิงล่าเสียงกล้องไปทั่วบริเวณท่านผู้เท่ากเรียนข่าวมิได้พบผ่านกันมานานมิทราบว่าท่านสบายดีหรือไม่วิชาดัชนีอยู่ไรก้าวหน้าไปเพียงใดวันนี้ปะเหมาะจริงๆที่เราสหายมาพบผ่านแม่แม่นางแห่งสำนักศิลาทักษิณเทพธิดาทะเลตาย <laughs> วันนี้มีโอกาสมาถึงที่นี่อีกทั้งได้พบแม่นางเทพธิดาทะเลตายพร้อมสิทธิ์ทั้งสองผู้กล้าคู่ขวัญบวงบูและบวงบุญหมื่นยุดและหมื่นอักษรส่วนนี่สิทธิ์ข้าองตัวและองสวยเด็กๆรีบขวะท่านเจ้าสำนักไต้บุภาและแม่นางแห่งศิลาทักษิณผู้เท่ากระเรียงขาวเก่าเราสิทธิ์ทั้งหลาย ต่างกระทาการคาวะครูบาจารย์ทุกท่านด้วยอาการศรัทธาและนอบน้อมจากนั้นท่านมังกรทิวาจึงเชิญชวนทุกท่านเดินน้ำชาที่เลิดลดแห่งใต้บุกผาสักครู่เจ้าสำนักทั้งสามจึงปลีกตัวเข้าสู่หอคัมภีร์เพื่อปรึกษาพูดคุยเป็นการส่วนตัวได้ข่าวยุตธภพกล่าวหาท่านคือจอมมารเท่าสารพผิด ท่านคิดเช่นไรข้ารู้สึกห่วงใยท่านมากจึงมาพบพานวันนี้เพื่อคิดอ่านแก้ไขผู้เท่ากระเลียนขาวและเทพธิดาทะเลใต้เอ่ยถามขึ้นพร้อมกันทั่วยุทธภพใครจะกล่าวหาใครใครจะให้ร้ายใครหรือใครจะให้ร้ายแก่ใครข้าก็ไม่เคยหวั่นไหวแต่ท่านมาได้เวลาเหมาะ ข้าเองก็มีเรื่องราวในใจหนึ่งที่จะบอกเจ้าเช่นกันผู้เท่ากเรียนขาวะเทพธิดาทะเลใต้งุนงงยิ่งหนักข้าคิดจะมอบสำนักไตบุผาให้พวกเจ้าดูแลต่อไปเจ้าจะคิดเช่นไรท่านมังกรท่วาเหตุใดท่านถึงกล่าวเช่นนี้ข้ามาวันนี้ไม่ใช่ต้องการตำแหน่งเจ้าสำนัก ผู้เท่ากรเรียนขาวและเทพธิดาทะเลใต้กล่าวขึ้นพร้อมกันด้วยความตนกเหตุใดท่านมังกรี่ว่าจึงพูดเช่นนี้เราผู้เท่าย่ำย่ายุตธภพมานานรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเพื่อไม่ให้เราเชาวหยุดต้องอกุศลกรรมโดยไม่รู้ตัวที่มาเก่าหาข้าว่าเป็นจอมมารเท่าสารพัดพิษ จึงคิดหลีกเล่นขึ้นเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยุทธภพอีกต่อไปท่านทั้งสองจะได้ช่วยดูแลสำนักและเหล่าสิทธิานุสิทธิ์ต่อไปไม่ได้ไม่ได้เราทั้งสองไม่กล้าไม่ทันที่ทั้งสองจะกล่าวจบท่านมังกรที่วาก็หันหลังทะยานขึ้นสู่ฟ้าเพื่อจากไปแต่ผู้เท่ากรเลียนขาวและเทพธิดาทะเลใต้เห็นดังนันจึงรีบเข้าสกัด หมายจะมิให้ท่านมังกรที่วาจากไปสามอาวุโสประมือกันฝุ่นตลบอบอวนทั่วบริเวณเราสนไหวเอนเราต้องพายุยใหญ่เราสิทธ์ภายนอกลืนตนกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกูกันเข้ามาเห็นท่านมังกรที่วาใช้วิชาเลเซอร์สไปเนียวโคตรรวมท่าทำเห็นจำคิดหลูบังเกิดเป็นพลังวายโยทาาหมุนวน พล้ายดังพายุทอร์นาโดเคลื่อนทุกอย่างเข้าสู่ศูนย์กลางปากดเสียงลือลั่นแลบระเบิดสถานพบท่านทั้งหลายข้ามังกรที่วาขออำลายุทธภพไปก่อนข้าขอมอบคำพีไ ต, ตวิสุทธ์ให้ท่านผู้เท่าเกลียนขาวและเทพธิดาทะเลใต้จงฝึกฝนให้ได้วิชาฮวบสิงธรรมกายจงรักษาพรหมจันทร์ เอกธาตุและสติเจงขี่สิงตัดความทยานอยากมีสติมั่นคงแล้วจะสามารถซ่อนธาตุไว้ในสามโลกหอหุ้มฟ้าดินไห้ฟ้าอยู่สูงแผ่นดินอยู่ต่ำมนุษย์อยู่เบื้องกลางทั้งสามสิ่งสมบูรณ์ก็เกิดจักรวาลที่ยิ่งใหญ่สิทธ์ทั้งหลายแห่งสำนักข้านับแต่นี้ต่อไปจงเชื่อฟังท่านเทพธิดาทะเลใต้ ซึ่งได้รับอาญาสิทธิแห่งฟ้าให้เป็นเจ้าสำนักไตรบุพภาต่อไปส่วนผู้เท่าเกเรียนขาวเป็นซื้อแปเอุโสสูงสุดแห่งสำนักไตรบุกภาและจงฝึกฝนไตวิสุทธ์สามบุพภาชูช่อห้าท่าสามัคคีซ้ำหวยจูเต้งโงขี่เฉียงงวงให้สำเร็จแล้วพวกเราจะได้พบกันในงา น, น, งานกัลมภุ ก, <ว>กแดนนานิพพาน ข้าจะไปรอพวกท่านก่อนละฮ่าฮ่าฮาฮาสิ้นเสียงลานไลการเวลาเงียบสงัดไลเงาท่านมังกรีิวาแม้ลีลาการจากไปของท่านมังกรีิวาก็ยังรวดเร็วปานลมพัดสมเป็นยอาฝีมือสูงสุดแห่งยุทธภพจริงๆคำภีไตวิสุทธ์เป็นเช่นไร เทพธิดาทะเลใต้จะกระทำอย่างไรกับตำแหน่งเจ้าสำนักไต่บุบผาที่ได้รับเราปฏิหารโปรดติดตามตอนต่อไป